บุกทูหกสิบแปดใหญ่เล็กใหญ่และเล็ก i i. ช้างตัวใหญ่ สลอนใหญ่โตหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กหนูตัวสล็ก г т е ต н ว й І я с н น й ตอนกลงคืนมืดวเล็กหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กหันสว่างกหนูตัวเ แกชราหนุ่มสาวตรีและ олод ีคุณปู่คุณตาของเราแก่มากน่าจดดูเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มเจดสิบปีที่แล้วท่านยั о หนุ สวยและน่าเกลียดฮาร์เนย์อโหยดเนย์ผีเสื้อสวยมเมทลิกฮาร์เนยแมงมุมน่าเกลียดพาวุกอโหยดเนยอ้วนและผอมต้วสตีอีขุดย ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมแพงและถูกรถราคาแพง หนังสือพิมพ์ราคาถูกฮ่าเซตาดีเช